เน่ต่อไปปัญหาที่สามม จ, จุพยนาพยนาปัญหาเจ้าก็ะพูรศั์เรื่องสัตว์กลัวตายเนี่ยนะพระเจ้ามิรินถามว่าพระกุนเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าสัพเพตสันติธันดสสะแปลว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงทันใครมั่งที่ไม่กลัวต่อการลงโทษสัตว์ทุกชนิดกลัวการลงโทษหมดเลย อ, นนอีกศั์หนึ่งพระองค์ตรัสว่าสับเพพาญติมัจจุนโอสัตวทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายดังนี้คำสองคํานี้มีความหมายคล้ายคลึงกันบอกว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวการลงโทษสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวตายสองคำอํำนะ น, น, นี่ที่หนึ่งพระองค์ตรัสไวาอย่างนี้อีกที่หนึ่งพระองค์ยังบอกว่าอรหัสัพภะพยะ มติกันโตบอกว่าพระอาหารหันต์เป็นผู้ล่วงความกลัวต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วแปลว่าพระอาหารหันต์เลิกกลัวไม่ว่าจะเรื่องอะไรพระอาหารหันต์ไม่กลัวทั้งนั้น น, นะผู้ที่สําเร็จอรหั ต, ตผลไปแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวท่านไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพระนาคเษนพระอาหารหันต์ยังหวาดหวั่นต่อภัยหรือ no เอาทําไมบอกว่าพระอาหารหันต์ยังหวาดหวั่นต่อภยัยก็นี้ไงก็ข้างบนบอกว่าสัตว์ทั้งปวง ย่อมกลัวการลงโทษสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวตายแสดง ว, ว่าพระอรหันต์ก็ยังกลัวสินเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสัตสัตนรกในนรกผู้ถูกไฟนรกแผดเผาลูกโพลงไม่อยู่กําลังเคลื่อนเกือบจะตายเนี่ยนะสัตว์เกือบจะตายจากมหานรกที่มีเปลวไฟลูกโพลงอยู่ยังกลัวต่อความตายอยู่อีกหรือหนอพระองค์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งปวงคือไม่น่าบอกว่าเอ๊ไอคนจะตายจากนรกเนี่ยนะ สัตว์นรกจะตายจากนรกเนี่ยสัตว์นรกยังกลัวต่อความตายอีกหรือพระคุณเจ้านาเกษณถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงทันสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายถ้าอย่างนี้จริงคําอย่างนั้นที่พระองค์ตรัสว่าพระอรหันต์เป็นผู้ล่วงพ้นปราศจากความกลัวต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วคํานี้ก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิด ถ้าหากพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์เป็นผู้พ้นจากความตายต่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ถ้าคํานี้จริงถ้าอย่างนั้นคําว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงทันสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายอย่างนี้ก็ต้องเป็นคําพูดที่ผิดปัญหานี้มีสองเงื่อนตกแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดอันนี้ก็น่าคิดนะบอกว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวตายอีกพักหนึ่งบอกว่าพระอรหันต์ไม่กลัวตายเอ๊มก็ขัดกันนะฟังแล้ว แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะโอ้ยสัตว์ที่จะตายจากนรกใครว้งสัตว์นรกกลัวตายได้ยังไงไม่น่าเป็นไปได้นะสัตว์นรกกลัวตายเหมือนกันพระเจ้าพระนาคเกษ็ก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาปีติคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงทันคือกลัวการลงโทษเนี่ยนะสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตาย คือสัตว์กลัวต่อการลงโทษสัตว์กลัวต่อความตายดังนี้พระพุทธเจ้ามิได้ตรัดไม้เอาพระอาหารหันด้วยคําพูดนี้ไม่ได้แปลรวมความถึงพระอาหารหันในเรื่องนั้นต้องยกเว้นพระอาหารหันเพราะพระอาหารหันถอนเหตุแห่งความกลัวได้แล้วเหตุแห่งความกลัวก็คื อ, อการมราคะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวการมราคะกับปฏิฆาเป็นเหตุให้กลัวพระอาหารหันถอนได้เสร็จสิ้นแล้วก็ไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกลัว เพราะฉะนั้นขอถวายพระพรบรรดาสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายคือสัตว์ที่ยังเศ้ามองอยู่เนี่ยนะสัตว์เหล่าใดมีอัตานุทิฏฐิประมาณยิ่งและสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีความอ่อนไว้ในสุขและทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาสัตว์เหล่านั้นตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงทันลงโทษ่ะนะสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายคือโดยปกตินี่ที่บอกว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยคำนี้ไม่ใช่เป็นคําที่รวมใจความทุกอย่าง เป็นคําพูดที่มีส่วนเหลือเมื่อเป็นคําพูดที่มีส่วนเหลือบอกว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวตายนั้นน่ะหมายถึงสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปที่ยังมีอัตานุทิฐิเนี่ยนะยังมีอัตานุทิฐิยังอ่อนไว้ต่อสุขและทุกข์นะยังยังติดในสุขกลัวต่อความทุกข์อย่างแรงกล้าสัตว์เหล่านี้กลัวตายทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่ใช่พระอาหารหันต์ขอถวายพระพรพระอาหารหันต์ตัดคติทั้งปวงได้แล้ว คำว่าตัดคติเนี่ยพระทหันตัดเหตุที่นำไปสู่คติทั้งห้านรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์และเทวดาได้แล้วพระทหันกำจัดโยนิคือกำจัดกำเนิดในคันในไขในเท่าคลครและโอปปาติกะได้แล้ว พระรหันเพิกถอนปฏิสนธิการเชื่อมต่อพบได้แล้วเชื่อมเช่นวิญญาณทิติเชื่อมจากวิญญาณทิติหนึ่งไปสู่วิญญาณทิติหนึ่งเชื่อมจากสัตววาสหนึ่งไปสู่อีกสัตววาสหนึ่งพระหันท่านตัดการสืบต่อได้เสร็จแล้วเครียกว่าตัดสาย สายใหญ่แห่งสังสารวัฏโซ่แห่งสังสารจักรเนี่ยนะการเชื่อมต่อในสังสารวัฏเนี่ยผ้าหันตัดเสร็จแล้วสี่โครงเรือนได้หักได้แล้วสี่โครงคือกรรมสี่โครงคือตันหาพผ้าหันหักเสร็จแล้วพผ้รหันถอนอะไรคือตันหาในพบทั้งปวงได้แล้วเรียกว่าตัดความเยื่อใยในพบได้หมดแล้วพระ้าหัน์ทําลายสังขารคือกรรมทั้งปวงได้เสร็จแล้วเรียกว่าอรหันนี่โดยศับแปลว่าหักสี่กรรมแห่งสังสารจักร คือกรรมที่นําไปสู่พบใหม่เนี่ยนะพระรหันละกุศลอกุศลได้หมดแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่ละบาปลอยบุญเรียบร้อยแล้วพระรหัน์พรากอาวิชชาด้วยอรหัตตะมักได้แล้วทําวิญญาณให้ไม่มีพืชแล้วหมายถางว่าเป็นวิญญาณของพระรหัน์ไม่มีเมล็ดเครียกเพาะไม่ขึ้นเนี่ยนะเพาะไม่ขึ้นไม่เหมือนปู่ตุชนใช่ไหมเพาะที่ไหนเพาะไม่ขึ้นเพราะในไข่ก็ขึ้น เพราะในน้ําก็ขึ้นเพราะบนบกก็ขึ้นเพราะขึ้นทุกแห่งไปหมดเลยมันทันพิเศษเนี่ยนะแปลกว่าเออเกิดบนน้ําก็ได้เกิดบนบกก็ได้เกิดตรงไหนก็ได้เอาคิดว่าคิดอะไรมั่งในโลกนี้ไม่เป็นอารมณ์แห่งจุติปฏิสนธิได้มั่งลองหาสักที่หนึ่งที่ไม่มีสัตว์อยู่เลยบอกว่าในที่ที่ไฟมันลุกท่วมรุนแรงเนี่ยถาว่ามีสัตว์ไหมในนั้นจะบอกเอานารกเนี่ยร้อนเป็นหมื่นองศาก็ไม่ใช่น้อยเลยอะ่ะ โอ้ยร้อนแค่สี่หองศาไม่ทลายนะที่นั่นหมื่นกว่าองศาเองเขาก็ทนกันได้นะเพราะแต่สรุปว่าผ้าหารเนี่ยถอนพืชแห่งปฏิสนธิวิญญาณในเสร็จแล้วเผากิเลสทั้งปวงได้แล้วนะเผาความเศร้ามองทุกชนิดได้แล้วก้าวล่วงโลกกระทมทั้งแดได้แล้วด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นะ้าหันจึงไม่มีความหวาดหวั่นภัยทั้งปวง พันธพคติก่อใหม่มีกำเนิดก่อใหม่มีปฏิสนธิก่อใหม่มีสี่โครงก็หักอะไรในพบก่อใหม่มีกรรมที่นำไปสู่พบทั้งหมดก็ถอนหมดแล้วเนี่ยจะมีอะไร ท, ทาให้พระอาหั์กลัวขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าพระราชาในโลกนี้มีมหาอามาตย์อยู่สคนซึ่งเป็นองครักษ์ได้รับพระราชทานยศเป็นผู้สนิทสนมกับพระราชาพระราชาแต่งตั้งไว้ในตาแหน่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาเมื่อพระองค์มีพระกรณียกิจบางอย่างเกิดขึ้นพระราชาก็ออกพระราชโอรสการตรัสสั่งทุกคนที่มีในแว่นแคว้นของพระองค์ว่าทุกคนเลยทีเดียวจงทําพลีกรรมแก่เราพลีกรรมก็แปลว่าสงสวยนะครับสงสวยพลีกรรมหมายว่าต้องสละอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพลีกรรมนี่เนี่พะนนอันนี้แน่อมาทั้งสี่ขอท่านจงจัดการทํากรณียกิจนั้นให้สําเร็จหมายว่า พระราชาสั่งอำมาตย์สี่คนให้ไปเก็บพลีกรรมจากรัฐทั้งหมดจากชาวแว่นในเขตแว่นแคว้นของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะขอถวายพระพรมาหาอำมาตย์ทั้งสี่คนนะั้นเพิ่งเกิดความหวาดหวั่นภัยคือพลีกรรมนั้นหรือไม่อำมาตย์ที่เก็บเนี่ยนะจะกลัวไหมไม่เกิดความกลัวหรอพระคุณเจ้าทําไมหรือก็พระคุณเจ้าก็เพระเาพระพวกอำมาตย์เหล่านั้นเนี่ยพระราชาทรงแต่งตั้งเอาไว้ในตําแหน่งที่สูงส่งพวกอำมาตย์เหล่านั้นนะไม่มีพลีกรรม ไรคนเก็บไม่ต้องจ่ายเ่างั้นพวกเขาเป็นพ้นจากพลีกรรมแล้วพระราชารับสั่งไม้เอาชนที่เหลือเท่านั้นว่าทุกคนเลยทีเดียวจงทำพลีกรรมแก่เราพระนาเกษ็ก็เลยตอบว่าอธิบายต่อไปว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันคำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ไม้เอาพระอรหันด้วยคาว่า สัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวการลงโทษสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวตายเนี่ยคํานี้ไม่ได้อมความรวมถึงพระ้าหันอะไรหรอกคํานี้ต้องยกเว้นพระ้าหันเพราะพระ้าหันถอนเหตุแห่งความกลัวได้แล้วคือละอกุศลละปฏิสนธิทั้งหมดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวได้แล้ว ขอถวายพระพรบรรดาสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายสัตว์เหล่าใดมีอัตตานุทิฏฐิประมาณยิ่งสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีความอ่อนไว้ในสุขและทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าไม้เอาสัตว์เหล่านั้นพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงโทษสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายดังนี้เพราะฉะนั้นพระทหารจึงไม่หวาดหวั่นภัยคือไม่มีความกลัวโดยประการทั้งปวงพระทหารไม่กลัวอะไรแม้แต่นิดเดียววงังนั้น พระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระขนเจ้าคําที่ตัดไว้นี้เป็นคําที่ไม่มีส่วนเหลือไม่ใช่หรือไปแบบพูดพูดแบบอะไรนะพูดไม่มีส่วนเหลือไม่ใช่หรือไอ้คําว่าสัตว์ทั้งปวงนี่เป็นคําที่หาส่วนเหลือไม่ได้ขอท่านจงบอกเหตุในคําที่ตรัดไว้นั้นแก่ข้าพเจ้าให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดจงอธิบายคําที่ตรัสไว้นั้นให้หนักแน่นด้วยเถิดก็ไอ้คำว่าทั้งปวงทั้งปวงเนี่ยคํานี้มันกว้างนะมันไม่ใช่เป็นคําเล็กๆน้อยๆนะ ขอถวายพระพรอุปมาเหมือนอย่างว่านายบ้านผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านก็รับสั่งบ่าวให้เปล่าประกาศคาสั่งออกไปว่านี่เนี่ยนายผู้ประกาศคาสั่งเธอจงไปบอกลูกบ้านทุกคนเท่าที่มีในหมู่บ้านให้รีบมาประชุมกันที่สํานักของเราโดยเร็วเ้าเรียกว่าเรียกประชุมทั้งหมดเลยมันเรียกประชุมไปจัดการได้สั่งประชุมทั้งหมด เบาวผู้ประกาศก็ราบสั่งแล้วก็ไปประกาศยืนท่ามกลางหมู่บ้านเป่งเสียงให้ได้ยินสามครั้งว่าลูกบ้านทุกคนเท่าที่มีอยู่ในหมู่บ้านจงไปประชุมกันที่สำนักของนายบ้านเถิดเร็วว่างั้นอ่ะประชุมด่วนประชุมเร็วประชุมทุกคนประชุมทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านต่อจากนั้นพวกลูกบ้านเหล่านั้นก็รีบมาประชุมกันที่สำนักของนายบ้านตามคำของเบาวผู้ประกาศคำสั่งแล้วก็กลับไปแจ้งแก่เจ้านายบ้านว่านายท่าน ลูกบ้านทุกคนมาประชุมกันแล้วขอท่านจงทากิจที่ควรทำเถิดดังนี้ขอถวายพระพรก็เป็นอันว่านายบ้านผู้นั้นได้สั่งลูกบ้านที่เป็นชายในเรือนคือหัวหน้าเรือนให้มาประชุมกันทุกคนก็ลูกบ้านทั้งหลายพอถูกสั่งแล้วก็หามาประชุมกันทุกคนไม่เฉพาะพวกชายในเรือนเท่านั้นน่ะหัวหน้าบ้านนะพ่อเรือนเท่านั้นแหละที่มาประชุม นายบ้านก็ยอมรับตามนั้นว่าลูกบ้านเนี่ยของเราเนี่ยมีอยู่เท่านั้นที่มาประชุมเนี่ยนะพวกผู้หญิงพวกชายทั่วๆไปข้าทาสกรรมกรลูกจ้างคนเจ็บคนป่วยอ่าซึ่งเป็นลูกบ้านคนอื่นๆตลอดจนถึงโคกระบือแพสุนักก็ไม่ได้มาประชมุมมีจานวนมากกว่านายบ้านก็ไม่ได้เอานับเอาคนเหล่านั้น ท, ที่ที่ไม่ได้มากันทุกคน คำว่าคนทั้งหมดมาประชุมไม่ใช่ว่าไปเกณฑ์เอาทารกมาประชุมหมดต้อนวัวต้อนควายมาประชุมกันหมดไม่ได้คําพูดแบบนี้นะไอ้คําว่ามาทั้งหมดนี่หมายเฉพาะหัวหน้าบ้านเท่านั้นที่ให้มาประชุมเพราะฉะนั้นคําสั่งที่ว่าทุกคนจงมาประชุมนั้นหมายเอาเฉพาะพวกผู้ชายที่เป็นหัวหน้าเรือนเท่านั้นขอถวายพระพร อ, อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันคนํานี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงหมายเอาพระอาหารหันด้วย ในเรื่องนั้นต้องยกเว้นผ้าอรหันเพราะผ้าอรหันทอนเหตุแห่งความกลัวได้แล้วขอถวายพระพรบรรดาสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายสัตว์เหล่าใดมีอัตตานุทิฏฐิประมาณยิ่งสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีความอ่อนไว้ในทุกข์และสุขพระผู้มีพระภาคเจ้าไม้เอาสัตว์เหล่านั้นพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการถูกลงทันลงโทษอนะนะ สัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายดังนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันจึงไม่หวาดหวั่นภัยทั้งปวงคำนี้ไม่ได้รวมถึงพระอรหันรอกหมอนกันขอถวายพระพรคำพูดมีส่วนเหลืออัตตะก็มีส่วนเหลือมีอยู่นะบางอย่างบางอย่างก็แปลว่าคำพูดที่มีส่วนเหลือความหมายก็มีส่วนเหลือเช่นคำคนบางคนในโลกนี้ก็เป็นอะไรนะคนบางคนก็แปลว่าคำพูดที่มีส่วนเหลือความหมายก็ถือว่ายังมี ส่วนเหลือคําพูดมีส่วนเหลือแต่อัฏฐะหาส่วนเหลือไม่ได้ก็มีอยู่คําพูดพูดคำ พ, พูดนี่เหมือนกับว่าพูดกับบางคนแต่หมายไมาเอาทั้งหมดเลยนะนะอย่างเช่นคําบอกว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะโดยมากพรอองษ์จะถามมาดูก่อนพิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระองค์ตรัสกับพระภิกษุเท่านั้นใช่ไห ม, ไมคําพูดรูมีส่วนเหลือเหมือนกับพระองค์เจาะจงตรัสกับพระภิกษุที่บวชเท่านั้น พรบอกว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นรูปเป็นชนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจา้าค่ะแล้วถามว่าครารวะจ้าโ ย, ยมเนีรวมด้วยไหมเข้าข้ถามด้วยพรันคําพูดเนี่ยฟังมีส่วนเหลือแต่ความหมายนี้ไม่มีส่วนเหลือคําพูดบางอย่างหาส่วนเหลือไม่ได้แต่อัตทะมีส่วนเหลืออย่างเช่นคําว่าทั้งปวงเนี่ยนะคำว่าทั้งปวงเนี่ยคำว่าทั้งปวง เป็นคําพูดที่หาส่วนเหลือไม่ได้แต่มีความหมายว่ามีส่วนเหลือคําพูดหาส่วนเหลือไม่ได้อัดถาก็หาส่วนเหลือไม่ได้เนี่ยนะหมายความว่าคําพูดนี้พูดแบบสิ้นเชิงแล้วก็ความหมายก็อย่างเช่นสัพยาณของพระพุทธเจ้าเนี่อรู้สรรพสิ่งถ้อย่างนี้เป็นคําพูดที่หาส่วนเหลือไม่ได้แต่บางคนเขาบอกอ uf, เขาเนี่อรู้ทุกอย่างรู้สารพัดรู้สารพัดเห็นบางคนนี่พูดอย่างนี้จริงไหมแต่เขารู้จริงไหม อาจจะไม่จริงก็ได้โดยมากก็ไม่จริงอ่นแหละเพราอบัณฑิตเพื่อรับรองอัฏฐะได้ในเหตุนั้นๆขอถวายพระพรบัณฑิตเพื่อรับรองอัฏฐะได้โดยเหตุหอย่างคือโดยอาหัรจโบทหนึ่งโดยราัศน์หนึ่งโดยอาจเรียวังสะหนึ่งโดยอธิบายหนึ่งและก็โดยการนุตริยะโดยการนุตริยตา น, นะการนุตริยตา แต่ละอย่างอธิบายว่าพระไตรปิฎกคือพระสูตรท่านประสงค์เอาว่าอาหัตเจบทพระสูตรคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะส่วนคําพูดที่อนุโลมต่อพระสูตรชื่อวระสะวาท่ของอาจารย์ชื่อว่าอาจรารย์วังศระคําอธิบายได้แก่อัตโนมติหรือมติของตนส่วนการนุตริยตาได้แก่การณะเหตุที่จะต้องอ้างที่สําเร็จได้ด้วยเหตุสี่อย่างเหล่านี้ ขอถวายพระพรมหาบาพิษบันฑดตพึงรับรองอัถฐได้ด้วยเหตุ5้าอย่างเหล่านี้แลปัญหานั้นจึงชื่อว่าเป็นอันได้วินิจฉัยดีแล้วก็โดยประการอย่างนี้เขาบอกว่าหลักการหลักการตอบปัญหาหลักการยืนยันว่าสิ่งนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะเขาก็เอาหลักการหประการเหล่านี้มาจับหลักการหประการเนี่ยขอทบทวนอีกนิดหนึ่งนะ ดูอัตกถาหน้า188่อยแกถานห8ึอธิบายบอกว่าพระสูตรท่านประสองค์เอาว่าอาหารจบทหมายถึงปิดกสาเรียกว่าพระสูตรในทีน่นี้ส่วนคําพูดอนุโลมตามพระสูตรอันนี้หมายถึงมหาประเทศมหาประเทศคือพุทธาประเทศสังคาประเทศหุเทราประเทศแล้วก็เอกะเทราประเทศ คือคำอ้างอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระสงฆ์อ้างพระสงฆ์งงหลายรูปอ้างพระทีระรูปเดียวแต่เป็นคำพูดที่อนุโลมต่อพระสูตรเนี่ยนะบรรดามหาประเทศข้ออ้างทั้ง4ประการอย่างนั้นยกพุทธยกเว้นพุทธาประเทศมหาประเทศสมอย่างที่เหลือบัณฑิตพึงเชื่อถือยอมรับก็เพราะเมื่อลงได้กับพระสูตรคือลงกับพระไตรปิฎกคำของใครก็ตามท่านลงกับพระไตรปิฎกแสดงว่าพึงยอมรับเชื่อถือได้ ถ้าหากว่าลงกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อถือและไม่ต้องยอมรับเพรา ะ, ะนั้นคำว่ามหาประเทศคำกล่าวอ้างโดยใจความก็คือคำวินิจฉัยอนุโลมตามพระสูตรคือมหาประเทศสี่นี้ชื่อว่าราะหมายคำว่าทำให้เกิดความยินดีคำว่าราษะีเนี่ยนะอย่างสูตรหมายถึงพระไตรปิฎกรัศก็คือคาพูดที่สอดคล้องตอพระไตรปิฎกฟังแล้วก็ยินดี ส่วนวาท่ของอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์วังศระอันนี้หมายถึงอัตถกถาอาจารย์วังศระก็คือวาท่ของอาจารย์คืออัตถกถาประบเรียกว่าอาจารย์วังสระวงประเพณีของอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์พระสารีบุตรเป็นต้นส่วนอธิบายอาธิบายได้แก่มติของตนมติของตนก็คืออะไรก็คือดีกาดีกานั้นท่านบอกว่าเป็นอัตโนมติ น, นะแต่มติเหล่านี้สอดคล้องกับพระไตรปิฎกอัตถกถาโดยมาก เพราะฉะนั้นจึงเชื่อได้ส่วนการณุตริยตาได้แก่สิ่งที่สำเร็จได้ด้วยเหตุสีอย่างเหล่านี้บัณฑิตพึ่งรับรองได้ว่าเป็นอัฏถะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์ก็ต่อเมื่อมีการณะเทียบเคียงกับเหตุสีอย่างเหล่านี้คือเทียบเคียงพระสูตรเทียบเคียงกับคาที่อนุโลมต่อพระสูตรเทียบเคียงกับ อ, อ, อ, อัตตกะถาเทียบเคียงกับ ดีกาเมื่อเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกอัตถกถ า, าดีกาเนี่ยแหละคำพูดเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นคําพูดที่เชื่อถือได้อย่างคําบางคําในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเมื่อเราศึกษาในอัตถกถาดีกาป้าเราก็จะเข้าใจพเพราะอัตถกถ า, าดีกานี่โดยมากก็สอดคล้องกับพระพุทธพจน์เนี่ยนะมันคำพูดเหล่านี้ก็แปลว่าเป็นคําพูดที่อย่างพุทธพจน์ที่บอกว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อการลงโทษสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวตาย คำพูดนี้ถ้าเทียบเคียงตามพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาข้อความที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นคำพูดนี้ไม่ได้รวมความถึงพระอนาคามีและพระอาหารหันต์พระอนาคามีท่านมีโทสะไหมเพราะคําว่ากลัวนี้เกิดจากโทสะผู้ใดตัดโทสะได้หมดผู้นั้นไม่กลัวเนี่ยนะเพราะผู้ที่ยังกลัวก็คือขณะที่มีโทสะเท่านั้นผู้ที่ยังมีโทสะยังมีความกลัวเอ่อชื่อว่ายังมีความกลัวพระอนาคามีกับพระอาหารหันต์ ไม่กลัวเนี่ยนะเมื่อไม่กลัวแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีโทสะเป็นเหตุให้กลัวพระอรหันต์กับพระนาคามีจึงไม่กลัวแต่ตรงนี้เอาสูงสุดว่าพระอรหันต์ไม่กลัวพระเจ้ามิรินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาเกษตข้อที่สัตว์ทั้งหลายที่เหลือสะดุ้งกลัวในเรื่องนั้นยกเว้นพระอรหันต์ข้าพระเจ้ายอมรับตามที่ท่านกล่าวแล้วละ่ะเออฟังดูมีเหตุผลเพราะท่านอ้างมาเยอะเหลือกเกินอย่างนั้นฮะสรุปเชื่อ แต่ว่ า, ามีแต่แล้วว่าไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะนะแต่ว่าพวกสัตว์นรกทั้งหลายผู้ถูกสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อนอยู่ในนรกเนี่ยนะมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงถูกไฟเผาลูกโพรงมีหน้าชุ่มด้วยน้ําตาร้องให้คร่ำครวนบนเพอมีทุกแรงกล้าเหลือทนความทุกเหล่านั้นครอบงำไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่ง เป็นผู้ที่สิ่งอื่นไม่อาจเป็นที่พึ่งให้ได้มีความเศร้าโศกอาดูลไม่ใช่น้อยมีคติต่าําซ้ำเป็นที่สุดหมักเลวสุดๆในจํานวนสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์นรกเหมือนนบ่ายหน้าไปหาความเศร้าโศกโดยส่วนเดียวถูกไฟแผดเผาร้อนไฟนั่นก็ร้อนกล้าเป็นหมื่นองศาเนี่ยโหดร้ายเป่งเสียงดังฟังน่าสยดสยองน่ากลัวแล้วก็มีไฟหกชนิดติดประสานเป็นพวงอยู่โดยรอบ ไฟหชนิดหมายความว่าไฟที่พุ่งจากข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างข้างบนพุ่งมาใส่ตัวเนี่ยนะเปลง่งเปลวไฟกล้าเปลวไฟนั้นก็แผ่ไปตลอดพื้นที่ร้อยโยดโดยรอบก็คือแสนหกอะไรนะแสนหกหมื่นกิโลเมตรโดยรอบเนี่ยนะเข้าไปร้อยยดร้อยยดก็คือพันหกร้อกิโลเมตรโดยรอบเนี่ยนะ เมื่อเคลื่อนจากมหารรกนั้นก็ร้อนทุรนทุรายไอ้ทุกข์ในนรกขนาดนั้นถามว่ามันยังกลัวตายอีกหรือไอสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกยังกลัวตายอีกหรือฟังแล้วไม่เข้าใจมั้งนั่นทําไมสัตว์นรกยังกลัวตายทนาเกษตรบอกใช่สัตว์นรกเหล่านั้นก็ยังกลัวตายขอถวายพระพรพระคุณเจ้า นรกเนี่ยนะเป็นคติที่ต้องเสวยแต่ทุกขโดยส่วนเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรพวกสัตว์นรกเหล่านั้นเมื่อจะเคลื่อนจากนรกเป็นคติที่ต้องเสวยแต่ทุกโดยส่วนเดียวยังกลัวตายแล้วมันยังมีอะไรน่ารื่นรมยังน่าสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่หรือในนรกอ่ะมันมันมันดียังไงนรกทำไมสัตว์นรกจึงกลัวตายมาครับขอถวายพระพรพวกสัตว์นรกเหล่านั้นหารื่นรมในนรกไหม พวกสัตว์เหล่านั้นมีแต่ความมีแต่ความต้องการจะพ้นจากนรกจริงๆสัตว์นรกเนี่ยไม่ได้ยินดีติดใจเพลิดเพลิน อ, อะไรในะนรกหรอกขอถวายพระพรแต่คำว่าความตายนี้เนี่ยมีอนุภาพอันเป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นเกิดความหวั่นกลัวเพราะว่าคำว่าตายเนี่ยเป็นคำยิ่งใหญ่ที่สุดในจำนวนสัตว์โลกเป็นคาที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะ อย่างบางคนบอกไม่กลัวแหมที่จริงใจมันก็แป้วเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแสดงออกหรือไม่แสดงก็เหมือนกันนั่นแหละบางคนยิ่งใหญ่ฉีราดเลยอย่างไงทําเป็นไม่กลัวเนี่ยนะที่ไหนได้พระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาเกษตรข้อที่ว่าสัตว์นรกจะต้องการจะพ้นจากนรกยังเกิดความหวั่นกลัวต่อการเคลื่อนคือการตายจากนรกนี้ข้าพระเจ้าไม่เชื่อหรกฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นสัตว์นรกกลัวตายเหมือนกัน พระคุณเจ้านาเกเษนานะที่ว่านี้มันน่าขันอยฟังแล้วมันน่าขำเหมือนกันน่าขันก็คือน่าขำขำกลิ้งเลยเหมงอนกันบอกว่าสัตว์นรกกลัวตายเหมือนกันตายแล้วก็จะพ้นจากนรกกลัวตายอีกหรืออยากพ้นจากนรกเนี่ยอยากแต่ว่าไม่อยากตายขอให้ท่านฟังทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเหตุผลอธิบายให้มันน่าเชื่อถือหน่อยเถอะเหมือนกันขอถวายพระพร เชื่อว่าความตายนี้เป็นฐานะที่น่ากลัวสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เห็นสัจจะผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจคำว่าตายเนี่ยถือว่าเป็นคาที่น่าสยดสยองที่สุดหวาดเสียวที่สุดกลัวที่สุดเลยนะขนาดฟังสัจจะนี้ไม่เชื่อถามหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ดูฟังสัจจะตั้งมากเลยเนี่ยนะกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยนะในห้องใครไม่กลัวบางยกมือขึ้นแน่นะอืม เพอมาอยากจะเชื่อแต่ว่ามันเชื่อไม่ลงเพราะเหตุผลหลายอย่างนะฟังบางอย่างตกใจแล้วยังไม่ทันไหนตกใจแล้วบอกไม่กลัวตายนะนะว่าบางอย่างซึ่งมันไม่น่าจะตกใจยังตกใจเลยถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยประทึงแม่แหม่ก็เลยยังฟังหูไว้หูก่อนอืมต่อไปบอกว่าคนเรานี้เนี่ยนะ ปกติแล้วผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะเนี่ยเป็นผู้ที่ยังกลัวตายย่อมหวาดวันพ่า่นพริงในความตายขอถวายพระพรผู้ใดกลัวงูเห่าดําผู้นั้นก็กลัวตายก็กลัวตายเนี่นแหละก็เลยกลัวงูเห่าดําแต่จริงไๆที่กลัวงูก็เพราะกลัวงูกัดตายนั่นแหละที่เลยกลัวงูเนี่ยนะบอกโอ้ยกลัวบัติเหตุกลัวรถกลัวราจริงๆไที่บอกว่ากลัวก็กลัวตายจากเรื่องนั้นนั่นแหละก็เลยเรียกว่ากลัวความั้น ผู้ใดกลัวช้างก็แปลว่ากลัวตายความตายที่มาจากช้างผู้ใดกลัวสีหาก็กลัวความตายที่เกิดจากสีหะผู้ใดกลัวเสือโคร่งก็กลัวตายเพราะเสือโคร่งผู้ใดกลัวเสือเหลืองก็เพราะกลัวตายจากเสือเหลืองผู้ใดกลัวหมีก็เพราะกลัวความตายที่มาจากหมีผู้ใดกลัวหมาในเนี่ยนะหมาในก็เพราะว่ากลัวความตายที่มาจากหมาในหรือว่าใครที่กลัวกระบือ ใครที่กลัวกระเบือกลัวโคก็กลัวความตายที่มาจากกระเบือมาจากโคผู้ใดกลัวไฟก็เพราะว่ากลัวความตายที่มาจากไฟผู้ใดกลัวน้ำผู้นั้นก็กลัวความตายที่มาจากน้ำผู้ใดกลัวตอก็กลัวความตายที่มาจากต่อผู้ใดกลัวหนามผู้นั้นก็กลัวความตายที่มาจากหนามผู้ใดกลัวหอกกลัวเหลาผู้นั้นก็กลัวความตายที่มาจากหอกมาจากเหลานั่นแหละไอ้ใครกลัวปืนก็เพราะกลัวความตายที่มาจาก เปิดใครกลัวอุบัติเหตุเนี่ยนะก็กลัวความตายที่มาจากอุบัติเหตุก็เพราะเพราะอะไรไอ้ที่เรียกว่ากลัวสิ่งก็าบอกไอ้ตายนี่ไม่กลัวกลัวแต่อย่างอื่นเนี่ยนะแปลว่าก็กลัวตายจากอย่างพวกนั้นแหละก็เลยเรียกว่ากลัวสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไอ้ที่กลัวสิ่งนั้นนก็เพราะกลัวตายเนี่ยแหละกลัวผีก็กลัวผีฆ่าตาย ไม่ไม่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็กลัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่เชื่อถามบางท่านไม่เอ่ยเชื่อเดี๋ยวเสียประวัติเข้าหมดตอนหลังอาจจะไม่กลัวแล้วก็ได้ขอถวายพระพรข้อนั้นเป็นเดชานุภาพกว็เดช ท, ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสภาวะพร้อมทั้งรสของความตายคือที่สิ่งที่เรากลัวๆเนี่ยคือสิ่งนั้นมันเป็นบริวารเวทล้อมความตายเราก็เลยเรียกว่ากลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ ก็คิดดูนะไอ้โรคซาเนี่ยทาไมมันกลัวกันอะไรขนาดนั้นจนจะล่มจมกันไม่ใช่น้อยเนี่ยกลัวแค่หายใจรดกันเฉยๆเนี่ยนะกลัวปิดจมูกปิดอะไรที่จริงก็กลัวตายจากสาเหตุนั่นะที่เพราะกลัวตายนี่ยแหละเลยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดกลัวไอ้จริงๆเรื่องเรื่องจริงก็คือกลัวตายนั่นแหละฟังกรกปริบสะดุ้งเฮือกเลยขึ้นมาก็พื้นฐานมาจากกลัวตายเนี่ยเลยสะดุ้งไปทุกเรื่องหมดเลยนะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาตกใจหมดเลยก็กลัวตายที่มาจากฟ้าผ่านั่นแหละ เพราะเดชานุภาพที่ที่เรียกว่าความตายเนี่ยนะเป็นสภาวะที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่จริงๆกิจที่ยิ่งใหญ่จริงๆริงไอ้คำว่าตายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายจึงหวาดหวัน่นจึงกลัวต่อความตายขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนในโลกนี้มีต่อมไขมันในร่างกายบวมเป็นต่มเป็นฝีขึ้นเขาเป็นทุกข์เพราะโรคนั้นต้องการจะพ้นจากอันตราย จึงเชิญหมอมบเชิญหมอผ่าตัดมาหมอผ่าตัดก็รับคำเชิญของเขาแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการถอนโรคนั้นรับมีดเอาไว้ให้คมเอาคีมเนี่ยไปหล่นไฟให้เรียบร้อยบทยาชะล้างแผลเอาไว้แล้วขอถวายพระพรคนไข้ผู้กำลังย่ำแย่อยู่นั้นพึงเกิดความหวั่นกลัว ต่อการผ่าตัดด้วยมีดคมเพราะการทำแผลให้ไฟไหม้ด้วยครีมเพราะการสายาฉะล้างแผลขึ้นหรือไม่หนอบอกว่าใช่ขอถวายพระพรเขาก็ต้องเกิดความกลัวบางคนนี่อยากหายโรคยอมให้หมอฉีดยาแต่กลัวเข็มอย่างเงี้ยนะคล้ายๆกันนั่นแหละพอจะฉีดปั๊บสะดุ้งยังไม่ได้ฉีดสักหน่อยเลยนะแลายังเอื่นมาแตะๆสักหน่อยนี่ก็สะดุ้งแล้วเนี่ยนะ ที่กลัวในพื้นทาน ม, มาจากลึกๆยิงอ่ะเขมยังกลัวเลยแล้วตายเลยไม่ต้องพูดถึงแล้วเหมนกันขอถวายพระพรก็เป็นอันว่าคนไข้ผู้ย่ําแย่ขนาดต้องการจะพ้นจากโรคก็ยังเกิดความหวันกลัวภัยคือทุกขเวทนาสมมติ น, นะปวดตุบตบตุบตุบตุบตบตบเนี่ยเขาจะพาให้แล้วนะยังกลัวผ่าย่างนั้ น, นกลัวเจ็บอย่างพ่ออะไรอย่างสมมุติถ้าเราเป็นฝีเนี่ยนะถามว่าอยากหายไม้มก็อยากหายถ้าเขาไม่ผ่าเอาไหม เ่มคิดหนักเนะอนุญาตขนาดนั้นก็แทบไม่มองเลยนะหลายหลายคนก็เลยบอกขอให้สลบเธอไม่ต้องไม่ต้องเห็นไม่ต้องรู้ขอให้สลบไปบนบนเถอว่างั้นะนะสลบแล้วไปเลยนี่ซิมยุ่งเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรข้อนี้มีอุปมาชั้นใดสัตว์นรกทั้งหลายแม้ ต้องการจะพ้นจากนรกก็ยังเกิดความหวั่นกลัวภัยคือความตายฉะ น, นั้นเหมือนกันสังเกตดูนะสัตว์มันกลัวตายใชอย่างสุนัขที่ถูกรถทับนะมันยังตะเกียกตะกายหนีอยู่นะอย่างสัตว์ที่ถูกยูกยิงถูกอะไรนะมันยังตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลามันกลัวตายจะตายไปเนี่ยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายขนาดว่ารู้ว่าตัวเองถึงรอดก็สภาพคงย่ำแย่แต่ขนาดนั้นก็ยังกลัวตายเขาบอกรอดมาก็ยังไม่รู้จะเหลือสภาพความเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขนาดนั้นก็ยังกลัวตายเนยนะ น่าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสมาเถอะความตายเอ้ยเนี่ยนะมีสักกี่คนนะเขาบอกคนรู้ว่าตัวเองตายแล้วดีใจมากเลยเนี่ยนะไอ้ไอ้บางคนนี่มันแกล้งดีใจหรอกไอ้ที่ออกข่าวมาทุกวันเนี่ยนะมันแกล้งดีใจเฉยๆหรอกจริงๆมันไม่ได้ดีใจอะไรจริงๆหรอกแต่ถ้าบอกว่าประธานอภัยโทษมันจะดีใจกว่านั้นอีกะแต่ถ้าบอกว่าคนที่บอกว่าอีกสามเดือนจะตายแล้วดีใจก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปลงมายุสังขารแล้วก็โสมนัสเป่งอุทานดีใจขึ้นมาก เพราะอะไรเพราะท่านตัดสาเหตุฉันธราคะที่เป็นเหตุแห่งความกลัวได้หมดแล้วขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความผิดในท่านผู้เป็นใหญ่ผิดต่อผู้หลักผู้ใหญ่สูงส่งเลยนะว่าพอถูกล่ามโซตรวนถูกขังเอาไว้ในห้องขังแล้วก็พึงเป็นผู้ต้องการจะพ้นจากห้องขังจากหลุดจากห้องขังไหมบอกยาก ท่านผู้ใหญ่ผู้นั้นต้องการจะปล่อยก็เลยเรียกเขาเข้ามาหาก่อนคืว่าคุยกันก่อนค่อยปล่อยเนี่ยนะขอถวายพระพบรบุรุษผู้มีความผิดในท่านผู้เป็นใหญ่รู้อยู่ว่าเราได้ทำความผิดเอาไว้แล้วดังนี้นั้นอ่ะเขาจะเกิดความหวาดกลัวต่อการที่จะต้องไปพบท่านผู้ใหญ่หรือไม่ถามว่าคนที่เรียกว่าสมำว่าผิดกับพระราชาใช่ไหมคดีลอบลงพระชนสมมตินะแล้วปกติแล้วคดีนี้มันต้องฆ่าแต่ว่าเออปล่อยเถอะ ก็เรียกเข้าไปหาก่อนค่อยปล่อยอันะเรียกมาคุยกันค่อยปล่อยเนี่ยนะขนาดนั้นนี่แหมขนาดรว่าเขาจะปล่อยเราแหมกลัวเหลือเกินที่จะต้องเข้าพบใช่ไหมกลัวที่จะต้องไปพูดกลัวที่จะต้องไปคุยบอกใช่พระคุณเจ้าเขาจะต้องเกิดความหวั่นกลัวเขาวงนันขอถวายพระพรก็เป็นอันว่าบุรุษผู้มีความผิดในท่านผู้ใหญ่นั้นแม้ว่าต้องการจะพ้นไปจากข้องขังก็จริง ก็ยังเกิดความหวั่นภัยจากท่านผู้เป็นใหญ่ขอถวายพระพรข้อนี้มีอุปมาฉันใดพวกสัตว์นรกทั้งหลายแม้ว่าต้องการจะพ้นจากนรกก็ยังเกิดความหวั่นกลัวต่อมรณะภัยฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้ามิเินก็ บ, บอกว่าพระคุนเจ้าขอจงบอกเหตุผลที่มันยิ่งแม้ข้ออย่างอื่นเถอะฟังแล้วก็ยังไม่สมเหตุสมผลอ่ะนะอธิบายมาก็ยังไม่สะใจเหมือนกันขอให้อธิบายเหตุผลที่จะทําให้ข้าพระเจ้ามัน ปลงใจเชื่อได้จริงๆเธอว่าสัตว์นรกมันก็กลัวตายเนี่ยนะอธิบายให้มันน่าเชื่อวัอนนี้หน่อยขอถวายพระพรบุุษบางคนในโลกนี้ถูกงูพิษกัดเพราะพิษที่แพร่กระจายไปนั้นเขาจึงล้มกลิ้งเกลือกอยู่ไปมารู้ด้วยนะว่าเป็นงูพิษกัดแล้วก็ล้มกลิ้งอยู่ตรงนั้นแหละลาดับนั้นมีบุุษอีกคนหนึ่งใช้เวทมนต์ที่มีพลังชักนาเอางูพิษตัวนั้นมา บังคับงูพิษตัวนั้นให้ดูดพิษที่รอยกัดนั้นหวนกลับคืนไปเรียกมนลสมัยก่อนนี่มันแรงมากถึงขนาดเรียกเรียกงูให้มากัดแล้วดูดพิษเอาคืนได้อ่ะขอถวายพระพรบุรุษผู้มีพิษงูซึมซาบอยู่นั้นเมื่อพิษงูที่กัดนั้นเลื้อยเข้ามาใกล้เพราะเหตุจะสร้างความสวัสดีให้จะพึงเกิดความหวานกลัวขึ้นหรือไม่อนนก่ครั้งแรกกัดให้ตายกัดข้างหลังจะมากัดดูดพิษเนี่ยกัดข้างหลังเนี่ยกลัวไหม ใช้พระกุณเจ้าเขาจะต้องเกิดความหวั่นกลัวขอถวายพระพรก็เป็นอันว่าเมื่องูเห็นปานนั้นเลื้อยเข้ามาใกล้เพราะเหตุจะสร้างความสวัสดีให้บุรุษผู้นั้นยังเกิดความหวั่นกลัวได้ข้อนี้อุปมาฉันใดพวกสัตว์นรกทั้งหลายแม้ว่าจะต้องการพ้นจากนรก ก็ยังเกิดความหวาดกลัวต่อความตายฉะนั้นเหมือนการขอถวายพระพรความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาะสําหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นสัตว์นรกแม้ว่าต้องการพ้นจากนรกก็ยังกลัวตายพระเจ้ามิรินก็ยอมรับเลยนะแหมกลัวงูแสดงพระเจ้ามิรินอาจจะกลัวงูก็ได้เพราะอ้างงูปั๊บไปเลยเออชื่อแล้วดีจริงพระคุณเจ้าว่างั้น ข้าพเจ้ายอมรับคำพูดของท่านตามประการที่ท่านกล่าวมากันนี้